สิหทุกสรรพสิ่งคืออะไรมานความทุกข์ความชั่วเกิดขึ้นในโลกมันก็เลยฉงนพระเจ้าคือผู้สร้างหรือผู้บรรดาลทุกสรรพสิ่งไม่ใช่หรือพระเจ้ามีพระประสงค์ให้หมวลมนุษย์เป็นสุขทั่วทุ่นให้คนดีทุ่นทั่วไม่ใช่หรือ แล้วทำไมพระเจ้าไม่สร้างแต่ความดีสร้างแต่ความสุขแล้วทำไมพระเจ้ายังปล่อยให้มารมีอานาจทำคนให้มีความชั่วทำให้คนมีความทุกข์พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพ ในทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาล น, นี่นายังไงกันแน่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ความทุกเกิดให้ความชั่วเกิดหรือไม่ประสงค์ให้เกิดความทุกเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่ความสุขเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่ความดีเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่ ความชั่วเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่ความอิสระเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่มารก็ดีซาตานก็ดีเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งหรือไม่หรือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเองอีกที่จะให้ความทุกเกิดความชั่วเกิดให้มารหรือซาตานเกิด ถ้าพระเจ้าบันดาลหรือเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจริงและมีพระปณิธานที่จะให้คนไม่ทุกข์ให้คนมีแต่สุขอย่างจริงใจของพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คนเป็นคนดีมีแต่คุณงามความดีในความเป็นคนของโลกแล้วให้ความชั่วให้ความทุกข์ เกิดมาในโลกได้ยังไงพระเจ้าบันดาลทุกสรรพสิ่งอย่างไรกันแน่